พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งดังกล่าวมาจึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตคฤหัสถ์บางท่านเพียงพระสารีบุตรทักทายปราศัยกับบุตรของตนเท่านั้นก็มีจิตชื่นบานปราโมทประมาณไม่ได้ดังพระนางสุปวาสาโกริยทิดามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปากุณฑทัฐานวันใกล้นครกุณธิยาของพวกเจ้าโกริยวงศ์พระญาติฝ่ายพระมารดาพระนางสุปวาสาโกริยธิดาสงคัญอยู่เจ็ดปีเจ็บคันอยู่เจ็ดวันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นด้วยสา ม, มาวิตกสามประการคือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย มีอาทิว่าโอ้พระผู้มีพระภาคอารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบแท้ทรงแสดงธรรมเพื่อละความทุกข์อย่างนี้ทรงย้ําอยู่เสมอว่าความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์พระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติเพื่อละทุกข์อย่างนี้พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ไม่มีทุกข์อย่างนี้เป็นสุขจริงหนอ ปราดาพระนางสุปว่าสาทรงเป็นอริยสาวิกาได้บรรลุธรรมแล้วได้เห็นธรรมแล้วในระดับต้นพระนางได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าสาวิกาทั้งหลายผู้ถวายของอันประณีตถวายของด้วยความเคารพเลื่อมใสแต่เพราะกรรมเก่าของพระนางและพระโอรสผู้อยู่ในคันจึงทําให้เกิดทุกขเวทนาสาหัสเช่นนั้นขึ้น พระนางทรงดำเดี๋ยว่าชีวิตคงสิ้นสุดคราวนี้เป็นแน่แท้จึงขอร้องให้พระสวามีไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องทุกขเวทนาของพระนางพระองค์ทรงทราบเรื่องนั้นตามคําบอกเล่าของพระสวามีของพระนางสุปวารสาแล้วตรัสว่าขอสุปวารสาโก리ยธิดาจงมีสุขหาโรคมิได้และจงคลอดบุตรผู้หาโรคมิได้เถิด พระดาเพียงเท่านี้พระนางสุปวาสาก็ประสูติพระโอรสหาโรคไม่ได้พระโอรสของพระนางก็คือพระศิวลีนั่นเองเรื่องนี้เป็นไปโดยพุท ธ, ธานุภาพอันพุท ธ, ธานุภาพนั้นเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคิดเอาอย่างคนสามัญไม่ได้พระสวามีของพระนางทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงดีพระไทยเป็นนักหนาทรงดําริ์ว่าโอ้น่าอาศัศจรย์จริง เรื่องไม่เคยมีได้มีขึ้นแล้วเรื่องไม่เคยเป็นได้เป็นขึ้นแล้วพระตถาคตเจ้าทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากน่าปลื้มใจจริงพระนางสุปปวารสาทรงขอร้องพระสวามีให้ไปทูลเชิญพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระกยาหารที่พระราชนิเวศเป็นเวลาเจ็ดวันสมัยนั้นอุบาสกผู้หนึ่งผู้เป็นอุปทาของพระมหาโมคคลานะ ได้นิมนต์พระพิสุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไว้แล้วเพื่อเสวยและฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขอให้พระมหาโมคคลานะไปหาอุบาสกนั้นและขอร้องว่าถ้าจะเลื่อนการถวายทายธรรมของตนไปภายหลังกิตนิมนต์ของพระนางสุปวาสาแล้วจะขัดข้องหรือไม่เมื่อพระมหาโมคคลานะไปขอร้องอุบาสกดังนั้น อุบาสกจึงกล่าวว่าถ้าพระกุณเจ้าเป็นผู้ประกันเรื่องสามอย่างได้ก็จะยินยอมตามที่ขอร้องถ้าประกันไม่ได้ก็ไม่ยินยอมคือภายในเจ็ดวันนี้พวกขศัพท์ของข้าพเจ้าจะไม่เป็นอันตรายใดๆชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่สิน้นและศรัทธาของข้าพเจ้าจะไม่ถอยพระเถระอัครส า, าวกผู้เลิ่อด้วยฤทธิ์เพ่งพินิจอยู่ครู่หนึ่ง ดูกร อ, อุบาสกอาตมารับประกันให้ได้สองประการคือโภคะของท่านจะไม่เป็นอันตรายใดๆและชีวิตของท่านจะไม่สิน้นส่วนศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับใจอาตมาประกันให้ไม่ได้ขอท่านจงประกันตัวท่านเองเถิดอุบาสกนั้นจึงรับว่าจะประกันศรัทธาของตนเองเพราะเป็นผู้ได้เห็นสัจธรรมแล้ว สัทธาจึงไม่คลอนแคลนเขาอนุญาตให้พระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยที่พระราชินิเวศของพระนางสุปววาสาก่อนด้วยความเคารพในพระมหาโมคคลานะด้วยปรารถนาความสุขและความเจริญด้วยบุญของพระนางสุปววาสานั้น ดูก่อนผู้แสวงธรรมเรื่องนี้บางคนอาจนึกตำหนิว่าพระาศาสดาทําไมจึงทรงทํำเช่นนั้นเล่าในเมื่อทรงรับนิมนต์ของอุบาสกไว้ก่อนแล้วที่ทรงทํำเช่นนั้นน่าจะเป็นด้วยเหตุสองประการคือประการหนึ่งทรงบําเพ็ญยาตถจริยาคือประโยชน์ของพระญาติซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์สามที่ทรงบําเพ็ญอยู่เป็นประจำอีกประการหนึ่ง พระนางสุปวาสาผ่านอันตรายแห่งชีวิตมาใหม่หากได้ทำบุญตามใจปรารถนาย่อมจะทรงปิติสมนัตมากเป็นพิเศษพระนางสุ ป, ปวาสาโกลิยทิดาทรงอังคาาคือเลี้ยงพิสุสงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาเเนยโพชนียาหารอันประนีตด้วยพระหัตของพระนางเองสิ้นเวลาเจ็ดวันให้ทารกถวายบังคม พระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรได้ทักทายทารกนั้นว่าพ่อหนูสบายดียหรือเพียงเท่านี้เองพระนางสุปว า, าสาทรงชื่นชมโสมนัตยิ่งนักที่พระธรรมเสนาบดีทักทายพระโอรสของตนดูเถิดพระดาคนดีมีศีลธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ก่อความชุ่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้นั้นศีลธรรมจึงเป็นแก่นสารของชีวิต หาใช่สิ่งอื่นไม่พระบรมศาสดาทรงทราบวารจิตของพระนางสุปวาสาว่าชื่นชมเบิกบานเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าถ้ามีบุตรอย่างนี้อีกจะพอพระทัยไหมพระนางกราบทูลว่าหม่อมชั้นปรารถนาอีกแม้สักเจ็ดคนก็ได้พระสุคตเจ้าทรงเปล่งอุทานเป็นเชิงเตือนในเวลานั้นว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดี มักปลอมมาในรูปที่น่ายินดีสิ่งไม่น่ารักมักมาในรูปที่น่ารักทุกมักมาในรูปแห่งสุขเพราะเหตุนี้คนจึงประมาทกันนักท่านผู้สแสวงสัจจะคนส่วนมากลหลงไหลในมายาธรรมคือสิ่งกลับกรอกหลอ ก, ล, อกลวงยึดถือเอาว่าเป็นสัจธรรมคือของจริงจึงถูกมายาธรรมนั้นห้ำหันย่ยํายีบีบคั้นหัวใจให้ต้องเศร้าโศก คร่ำครวญรําพันที่ว่าสุกก็หาใช่สุขจริงไม่มันเป็นเพียงทุกข์ที่ปลอมเข้ามาในรูปแห่งสุขหรือมีสุขเป็นเหยื่อล่อเล็กน้อยเหมือนศัตรูปลอมมาในรูปแห่งมิตรอันหนึ่งความสุขที่เกิดจากโรกิยารมณ์ราชนียารมณ์นั้นล้วนมีทุกข์เป็นพื้นฐานเสียก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบําบัดถูกวิธีเท่านั้นเอง และมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมติเรียกว่าสุคราวหนึ่งลาบผลซึ่งคนสแสวงหากันนักหนาด้วยความยากลาบากนานาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสียงก็มีนั้นเมื่อได้มาแล้วหาใช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไหมมันมีความทุกข์ความกังวลใจแอแฝงมาด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันนอนให้เป็นสุขก็มี ต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มีมียศแล้วต้องมีความเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจนลุงนางต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างเคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องก็มี เพราะไปหลงติดยศอันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมไม่อาสองถึงใจได้ท่านผู้สแสวงสัจจะเรื่องนี้อย่าพูดเพียงคฤหัสถ์เลยแม้บรรพิตบางรูปก็เมายศเหมือนกันยิ่งยศสูงขึ้นอาสวะก็พลอยหนาขึ้นตามมันย้อมจิตให้มัวเมาและเมาหนักขึ้นเพราะเปลือกหนาขึ้นอยู่ในแวดวงของลาบยศสันเสริญ เ, เ, เสียจนเคยตัวทําผิด ไม่มีใครกล้าติเตียนทำถูกเล็กน้อยคนก็คอยชมแล้วชมอีกจนใจเหลืองเพราะสารเสริญเหมือนเหล้าหวานชวนให้เพลินดื่มเท่าไรไม่อพอเผลอตัวได้ง่ายดื่มเหล้าสีอีกยังได้ง่ายกว่าและมีผู้คอยช่วยยัง้งส่วนสารเสริญมาจากผู้อื่นด้วยโยนใจอยู่เสมออยากได้รับให้ยิ่งขึ้นกว่าที่เคยได้เมื่อไม่ได้รับดังปรารถนาก็ร้อนใจ หรือเมื่อถูกนินทาก็เร่าร้อนยิ่งขึ้นนี่คือโทษของราบยศสรรเสริญเท่าที่พอมองเห็นได้มันเป็นสุขที่อยู่กับทุกข์จึงเป็นสุขปลอมหาใช่สุขแท้ไหมสุขแท้ต้องเกิดจากคุณธรรมจากการทำความดีทำความเพียรลดอาสวะสิ่งมักดองสันดานให้มืดมนกิเลสลดลงเท่าใดทุกก็ลดลงมากเท่านั้นเมื่อทุกข์ลดลงถึงที่สุดก็เรียกว่า ที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพานเหมือนเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็เป็นสภาพที่เย็นที่สุดนี่แหละคือความสุขแท้ไม่มีความทุกข์แฝงมาด้วยมีความเย็นใจเป็นรางวัลพร้อมกันนั้นความรู้แจ้งตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงก็สว่างสวัยขึ้นในดวงจิตเหมือนประทีปที่ถูกจุดขึ้นย่อมทําหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันคือกําจัดความมืดยังแสงสว่างให้เกิดขึ้น เผาเชื้อคือน้ำมันให้สิ้นไปเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งความที่บุคคลได้อบรมจิตและปัญญามาน้อยแสงสว่างในดวงจิตจึงมีน้อยไม่อาจมองเห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงได้ จึงถูกหลอกอยู่เรื่อยไปถูกโลกีธรรมคือลาบบ้างย ด, ดบ้างเสียงสรรเสริญบ้างหลอกเอาหมอมให้เมาอยู่เนืองนิดจนปัญญามืดมนลงไม่สามารถรู้เห็นตามเป็นจริงของชีวิตได้พระดาอันว่าบุคคลผู้เดินอยู่ในที่มืดใครมีแสงสว่างในมือเท่าใดก็เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าได้เท่านั้นคนมีแสงสว่างน้อยก็เห็นได้น้อย และเห็นได้เฉพาะวัตถุหยาบผู้มีแสงสว่างมากก็เห็นได้กว้างไกลและแม้วัตถุละเอียดก็พอมองเห็นได้ชั้นใดในโลกสันนิวาตอันมืดมิดด้วยโมหนี้ก็ฉันนั้นผู้ใดมีแสงสว่างคือปัญญาน้อยก็ได้เห็นความจริงของชีวิตน้อยผู้มีปัญญามากลึกซึ้งกว้างไกลก็ได้เห็นความจริงของชีวิตมากเป็นเหตุให้ฉลาดในวิถีชีวิต รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วเว้นเหตุแห่งทุกข์เสียประกอบพอกพูนเหตุแห่งสุขพร้อมทั้งมีอุบายอันฉลาดในการหลีกเหตุแห่งทุกข์ประกอบเหตุแห่งสุขเหมือนคนมีจักสุ ด, ดีเว้นทางอันครุกระเต็มไปด้วยอันตรายดำเนินไปในทางที่ปลอดภัยฉะนั้นแต่น่าเสีย ด, ดายที่กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนก็มักย่างขู่สู่ไวยชารา จนทําอะไรไม่ค่อยทันเสียแล้วได้แต่นั่งนอนทอดถอนใจว่ารู้อย่างนี้คงจะทําอะไรอะไรได้ดีกว่านี้ท่านผู้สแสวงสัจจะความเข้าใจในชีวิตเป็นเรื่องประเสริฐสุดของมนุษย์ศิลปะแห่งการดํารงชีวิตเป็นศิลปะชั้นสูงของมนุษย์ความสามารถในการดําเนินชีวิตให้ดีเป็นความสามารถอันเลิศของมนุษย์น่าเสียดายที่คนส่วนมาก ใช้เวลาของชีวิตไปเรียนรู้เรื่องอื่นเสียหมดไม่ได้เรียนรู้และไม่เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตชีวิตจึงหมกอยู่ในความเร่าร้อนทุรนทุรายอย่างลีกเลี้ยงไม่ได้